บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปกรรมะปฏิบัติในส่วนของนิวรณทั้งห้าประการนั้นได้ทรงแสดงสั่งสอนโดยนัยเดียวกันหรือใช้โครงสร้างเดียวกันสำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ อุทจักกุกุจจะที่แปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญการสายไปของจิตที่ไม่สามารถจะให้สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณอ ย, อย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นอาการของโมหะเจตสิกที่เกิดขึ้นกลุ่มลุมใจของบุคคลทั้งหลายแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่งจะมีอาการของโทสะข้าเจือปนจุกด้านเวลาทันเรียกท่านใช้คําว่าอุตจะกุกจักคำว่าอุตจะแปลว่าฟุ้งซ่านซึ่งเป็นอาการของโมหะความหลงดังกล่าวกุกจะกแปลว่า ร, ารําคาญซึ่งเป็นอาการของโทสะที่ค่อยๆก่อตัวมากยิ่งขึ้นด้านได้เคยกล่าวมาแล้วว่า การประบัติวังเป็นเพียงในด้านจิตใจนั้นเรื่องสติสมชัญญะและความเพียรเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญปัญหาที่ก่อให้เกิดอุทจะมากก็คือโรคขาดส ป, ปายะคือความสบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิจะเกิดความไม่พอใจไม่ยินดีในขณะนั้นๆ และในที่สุดจิตก็จะสายไปออกนอกอารมณ์ซึ่งกําหนดระลึกอยู่หรือเกี่ยวข้องอยู่ในขณะนั้นๆคนที่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้แม้ในขณะที่รับประทานอาหารตอนใดที่ไม่มีความพอใจในอาหารซึ่งกําลังจะรับประทานใจก็จะสายไปออกข้างนอกโต๊ะอาหารนั้น ถ้าหากว่าควบคุมไว้ไม่อยู่ก็จะรู้สึกไม่พอใจในอาหารนั้นออกมาจนถึงก็ลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารแล้วก็ไปรับประทานข้างนอกอาการเหล่านี้มีคนเป็นมากเคยประสบมาแล้วแต่ถ้าเรามองถึงสภาพจิตจะเห็นว่าเริ่มต้นจากความไม่พอใจเป็นจินดี ถ้าในจุดนําไปสู่การคิดมากจนฟุง้งฟุ้งแล้วก็เกิดความหงุหงิดคิดมาถ้าควบคุมไม่ได้ในจุดใดจุดหนึ่งอาการทางกายทางวิชาของบุคคลก็จะรุนแรงออกไปโดยลำดับแต่ที่พูดระดั บ, บนิวรณเป็นการพูดระดับความคิดคืออยู่ภายในจิตใจเท่านั้นไมปถึงก็ออกมาเป็นการกระทํา หรือเป็นคําพูดดังกล่าวเพราะถ้าเป็นการกระทําเป็นคําพูดก็จะกลายเป็นทุจริตไปแล้วเป็นกายทุจริตไปแล้วเป็นวจีทุจริตไปแล้วเป็นการผิดศีลไปแล้วซึ่งการปฏิบัติเป็นเพียงชั้นจิตใจนั้นเป็นระดับสมาธิการสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์ประกอบต่างๆเข้ามาสนับสนุนเป็นอันมาก ไม่ต้องกล่าวเฉพาะสามัญชนแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระอาหารเทเรเจ้าทั้งหลายกว่าจะได้ตัดสู้ธรรมะกว่าจะบรรลุธรรมะจะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมลักษณะอารมณ์ที่ท่านเข้าเกี่ยวข้องในขณะนั้นนันเป็นปัจจัยเข้าส่งเสริมสนับสนุนอย่างสําคัญคำว่าขาดปัจจัยส่งเสริมสนับสนุน ให้คนมีทั้งสองบรมบรมารมีมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตเป็นพระหันแตขาดปัจจัสสนับสนุนแล้วก็ให้เกิดอาการชะงักงันขึ้นมาแต่นั้นลักษณะของความพุ่งสั้นจะเห็นว่าเพราะนักข้าวนักข้าวนั้นจะออกมาในรูปของความไม่แน่ใจอาการเครียดสูญเสียความมั่นใจ ตัสินใจเรื่งใดเรื่องหนึ่งลงไปไม่ได้ถ้าคืนทําพูดไปในขณะนั้นจะต้องออกปาในทางที่ผิดพลาดจะ้าคลิอน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเรื่องกุทธะ ก, กุกุจะจึงกลายเป็นมิวรที่จะต้องมีองค์ประกอบข้าสนับสนุนบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเขาเป็นกินเลสประเภทโมฆะ สติสัมปชัญญะจึงต้องมีกําลังสูงเพระสติสัมปชัญญะเป็นอาการของแสงสว่างโมหะเป็นอาการของความมืดสภาวะทั้งสองจะปรากฏในจิตขณะเดียวกันไม่ได้หลักของสัมปชัญญะก็คือการต้องรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์รู้ละเอียดจนถึงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะของจิตซึ่งจะสังเกตได้ว่า ความคิดเป็นอันมากที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เฉยๆแต่เป็นการทำลายประโยชน์ที่เราจะพึงได้พึงมีในขณะนั้นๆไปด้วยเช่นกำลังทำงานเรือดใดเรืองหนึ่งจูจิตจิตตกลงสู่กระแสของอากาศสนข้อใดข้อหนึ่งจะทำสุขภาพจิตของเราให้เสื่อมโทรลงไป ถ่าพรานเวลามีค่าของเราไปทำให้ชีวิตเดินทางเข้าไปสู่ความแก่อีกช่วงหนึ่งโดยสาระประโยชน์จากชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นดนั้นท่านยิงสอนให้มองถึงเรื่องที่สับปะยะซึ่งเพื่อเป็นปัจจัยสนับส น, นุนแต่แก่เรื่องของอาหารจะเรียกว่าอาหารสับปะยะ อันนั้นจะต้องไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปในรูปของมัตตันยตาต์ือรู้จักประมาณในพัฒตาหารการบริบาลระดับสมถกรรมฐานจะเน้นที่เรื่องอาหารไว ม, มากเพราะอะไรพระธาตอาหารมากถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็ น, นงน่วงนอน พอหารได้ย่อยเข้าไปก็ไปเสริมสร้างพลังขึ้นในร่างกายจะมีความรู้สึกกำหนัดต้องการในทางเพศก็กลายเป็นอาการกามาจันท์แต่ตากั น, น้อยเกินไปเริ่มต้นก็จะออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านใจไม่ยอมสงอบอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดระลึกในขณะนั้ น, น, น อดพอคลุ้งสั้นมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นนำคาดนำขาญมากขึ้นก็กลายเป็นโกดหงิดโุรธงิดบงงั่งขึ้นมากขึ้ น, ก, นก็กลายเป็นความโกรธความโกรธมากขึ้นก็กลายเป็นประทุษร้ายประทุษาร้ายทางกายทางวาจาไปแล้วก็จะเก็บความรู้สึกไม่พอใจไว้ภายในใจก็กลายเป็นพยาบาท ดังนั้นจะพบว่าอาหารน้อยเกินไปสร้างนิวรณ์สองข้ออาหารมากเกินไปสร้างนิวรณ์ขึ้นมาสองข้อท่านจะเน้นที่อาหารรักษาปัจคือมีความสะดวกสบายในเรื่องอาหารอาหารไม่สร้างปัญหาให้แต่อาหารจะเป็นเครื่องมือเป็นผู้รับใช้เราแต่ที่อาหารจะเป็นนายเราในาศาสนะ ที่กำหนดบำเพ็ญเพียรหรือปฏิบัติภารกิจในเรื่องนั้นๆั้เนื่องจากการปฏิบัติกรรมาฐานมีเสียงเป็นค่าศึกอย่างสูงตามปกติแล้วจะต้องหาสถานที่ซึ่งสงัดจากเสียงรบกวนแน่นอนคนที่ร่วมศึกษาทาปฏิบัติธรรมด้วยกันจะต้องมีการกระทาที่เกื้อกูลต่อกัน ท่านจึงเน้นไปที่ปุกกละส ป, ปายะคือคนเหล่านั้นจะต้องเกื้อกูลกันและพวกของอากาศจะต้องไม่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปพอจะร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปใจจะวิ่งเข้าไประลึกอยู่ที่ร้อนที่หนาวไม่สามารถที่จะดินกลับมาสู่อารมณ์ ซึ่งกำลังระลึกในขณะนั้ น, น, นได้เช่นขณะภาวานาบอกว่าพุโทโธธโมสัสงโฆอยู่หรือภาวานาข้อใดข้อหนึ่งอยู่แค่พอดีถูกความร้อนจากเสียดแทงความหนาวจากเสียดแทงใจก็จะวิ่งไปเกาะไปใส่ใจไปสนใจอยู่ที่ความหนาวความร้อนซึ่งกำลังเสียดแทงอยู่ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ และตัวอารมณ์จะต้องมีลักษณะสบายักะคือต้องสบายต้องพอใจถ้าไม่งั้นใจจะแล่นออกข้างนอกซึ่งค้อนี้ไม่ต้องมองอื่นไกลแม้จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรก็ตามถ้าเกิดความไม่พอใจแล้วเนี่ยปุกคนจะต้องหลีหนีสถานที่นั้นการลึกถึงอารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน าอารมณ์ของกรรมาฐานไม่เป็นที่สบายสมา บ, บุคคลนั้นใจก็จะไม่ยินดีในตัวอารมณ์นั้นก็จะเอามาเพ่งภาวนาจะรู้รู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่าดูสีดูแสงดูดินน้ำลงไฟเป็นต้นถ้าใจไม่เกิดความพอใจไม่เกิดความยินดีแล้วจะไม่รู้สึกสบายใจในอารมณ์นั้น วันท่านจึงสอนให้แสวงหาสิ่งที่เป็นส ป, ปายะให้ได้ถึงตามปกติแล้วเรื่องนี้ก็มีการเพียนพยามที่จะปรับมาจากข้างนอกตามสถานที่ก็ปรับได้ตามสถานที่ก็ปรับไดย้ยากโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันมีปัญหาสารพัดที่เกี่ยวกับคนในอารมณ์ แต่นั้นผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจะต้องมองไปที่ใจซึ่งจะต้องแก้ดยตัวเองให้ได้ถ้ากายังแก้ไม่ได้ยังมีอุทะจรุกุจนิวรันเกิดขึ้นก็ทรงสอนไว้โดยโครงสร้างเดียวกันว่า ถ อ, อุทจักกุกุจะนิวรณ์บังเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะ น, นี้อุทจักกุกุจะนิวรณ์ได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราการรู้ตามความเป็นจริงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญคล้ายๆคนป่วยต้องยอมรับป่วยหิวต้องยอมรับไปหิวเจ็บต้องยอมรับไปเจ็บจึงจะแก้ปัญหาได้หาก็ไม่ยอมรับสภาพเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นๆเธอแก้ปัญหาไม่ได้ แต่ยอมรับสภาพที่ปรากฏจะดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีฟุ้งซ่านก็บอกว่าฟุ้งซ่านรําคาญก็บอกว่ารําคาญง่วงนอนก็บอกง่วงนอนเราจะแก้ปัญหาได้ปึนลักษณะการลึกรู้ถึงความจริงเท่าที่ปรากฏนั้นดูแล้วคล้ายๆจะทําได้ง่ายแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่ทํายาก เพราะอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วบุคคลจะมีการถนอมตนเห็นแก่ตัวเชื่อชูตัวเองกลบเกลื่อนความผิดพลาดปกคร่องให้แก่ตัวเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวนันแม้เรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้แต่ก็ถามมารู้หรือไม่เรามักจะเฉยได้ออตอบว่ารู้ไว้ก่อน เขาจะตอบว่าไม่รู้จะเป็นการสูญเสียสถานะของตนเองจอทําได้หรือทําไม่ได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจบางทีไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกไม่เข้าใจหรือทําไม่ได้อาการถนอมตัวเองก็จะบังเกิดขึ้นบ่าถ้าคืนบอกไปก็จะสูญเสียสถานะจะถูกสบประมาทถูกดูหมิ่นจากคนอื่นเพราะนั้นก็ต้องหลอกคนอื่นแล้วก็หลอกตัวเองรับไปลักษณะการหลอกตัวเองนั่นเอง เพาะอุตจักขุกจักนิวรมเกิดขึ้นก็อาจจะปฏิเสธสภาพจิตในขณะนั้ น, น, นก็ได้ถ้าปฏิเสธก็ต้องมีปัญหาเพราะไรเพราะว่าเหมือนคนป่วยที่ไม่ยอมรับป่วยนม่มีโอกาสที่จะศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความป่วยและวิธีการในการเยียวยารักษาขจัดโรคภยัยข้าเจ็บลรานั้นให้สงบระงับ ดังนั้นในมิวรทุกข้อจึงทรงสอนให้รู้ตามความจริงเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นอาการของจิตเป็นอย่างไรคอยรู้ตามความเป็นจริงเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นแน่นอนโดยหลักของธรรมชาติแห่งจิตแล้วไม่ได้หมายความว่าแกจะต้องเป็นอุตจักุกุจจะ ความฟุ้งซ่านรำคาญง่วงเหงาห้านอนหรืออาฆาตพยาบาทหรือกำหนัดรักใคร่พอใจอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใครก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างอยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างเพราะในชั้นของการเรียนก็เรียนตามลาดับของนิวรณ การเกิดของนิวร์ไม่ได้หมายความว่าเมื่อพูดถึงอุตจักปกุจจให้ดูเฉพาะตัวนี้ที่จริงแล้วดูตามที่ปรากฏและศึกษาประพฤติปฏิบัติไ ป, ฏ ป, ฏปตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับลักษณะของนิวรณ์ซึ่งปรากฏในขณะนั้นๆจะในขณะนี้เป็นการพูดถึงอุตจักโย แต่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องมีอุตจกักุกจักอาจจะมีความสุโบก็ได้อาจจะมีกามฉันอาจจะมีเมตตาอาจจะมีสติสัมปชัญญะอาจจะมีความเยือกเย็นใจอาจจะหลุดพ้นจากอารมณ์ก็แล้วแต่ที่ปรากฏในขณะนั้นดังนั้นสมมติว่าอุท จ, จักขุกจันิว์เกิดขึ้น ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขนาดนี้อุทจะกกุกุจันิวรณ์ได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่เมื่อมองดูอีกทีหนึ่งว่าโดยปกติจิตแล้วจิตไม่ได้ถูกนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งครอบนำอยู่ตลอดไปแต่นั้นจึงทรงสอนให้ดูว่าขณะก่อนนั้นหรือเมื่อก่อนนั้นอุทจักกุกุจนิวรณ์ไม่ได้เกิดขึ้น แต่เวลานี้กลับบังเกิดขึ้นตะคลุ้นรุมใจครอบงําใจบังคับใจให้สายไปล่นไปไม่มีทิศทางอะไรที่แน่นอนเหมือ น, นกับคนที่ติดอยู่ในเรือนจำขาดสูญเสียความเป็นอิสระแก่ตัวเองคิดล่นไปในรมนนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ในที่สุดตัวเองก็ต้องอยู่ในเรือนจำ สภาพกิตที่ปรากฏในขณะนั้นเล่าก็เป็นเหมือนน้ำที่เจือด้วยโคลนต้อมอยุบไปไม่สามารถที่จะสองดูเงาหน้าของตัวเองได้อย่างชัดเจนชั้นใดใจที่ประกอบด้วยทัศน ก, กุกจกนิวรณครอบงำอยู่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันวันั่อมองเห็นโทษประจักษ์แก่ใจ แต่ผมสังเกตว่าการปฏิบัติธรรมะจะต้องมองเห็นคุณประจักษ์แก่ใจเห็นโทษประจักษ์แก่ใจถ้ายังไม่เป็นการเห็นซึ่งประจักษ์แก่ใจแล้วเป็นการยากที่บุคคลจะสงบระงับลดละปัญเถาสิ่งที่เป็นบาปเปน็นอกุศลคือลงมือศึกษาและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอุตจักรุกุจจนิวรณ์จึงต้องมองหเห็นโทษประจักษ์แก่ใจ แล้วก็สืกษาวไปดูว่าอุตจักจกุบจนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นโดยประการใดหรือเกิดขึ้นด้วยเหตุใดค่อยรู้ถึงสาเหตุที่เกิดของอุตจักจกุบจนิวรณ์สาเหตุหลักนั้นท่นเรียกว่าเจตโสอวุปัสัมภะหรเกิดขึ้นจากความให้สงบของจิต ทิตปิ้งซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆแต่ตาการซัายแบบอุตจกักขุจกจันิวรนนั้นจะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้เหมือนกับการฉันการฉันก็จะตรึกนึกไปสิ่งที่ตนคลายตนปรารถนาตนพอใจเรื่อยไปพยาบาทก็จะมองในแง่ไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจอาฆาตแค้นชิงจังมุ่งโต้ตอบทำลายล้าง ศีนนิท h จะมีลักษณะความคิดซึ่งขาดเป็นห่วงงเขาถูกความงมุ้งงุ่งครอบงำมีอาการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่านุ่งเหงาหาวนอนซึ่งซึมหน้อยเงาขดถูเคริ่เพิ่มจืดชื่ อ, ช, อ, ช, อชาเจนเหนื่อย่ายทอดถอยเซง็งหมดอะไรตายยากในชีวิตความลักษณะความคิดในแนวนี้จะขาดเป็นท่อนๆเป็นห่วง จะมีลักษณะเหมือนกับจอกแหนที่มีอยู่ในสระถ้าบุคคลก็เอามือแหวกจอกแหนเพื่อมองดูเงาหน้าของตัวเองมันก็เห็นได้วูบหนึ่งจอกแหนก็จะกลับคืนมาติดกันอีกเห็นเงาหน้าไม่ได้ต้องการจะดูใหม่ก็ต้องแหวกอีกเพขอะการดูจิตที่ถูกทินมิทะนิ นิวรครอบําก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่พอถึงกุฏจักกุฏจันั้นจะมีการสายโดยไม่ชัดเจนว่าจะไปไหนอาจจะเป็นเรื่องรักเรื่องช่างเรื่องเฉยเฉยเรื่องซึ่งซึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนท่านบอกว่าเหมือนกับหยาดน้ําที่กลิ้งอยู่บนใบบัว แล้แต่ลมจะพัดแล้วแต่จะกลิ่งคือเหมือนกระทงที่อยู่บนปลายเสามันก็กำหนดทิศทางไม่ได้ว่าะจะพิ้วอย่างไรจะโบกสะบัดแจงไรและจะไปทางทิศไหนจะพิ้วมากพิ้วน้อยอยังไงมันขึ้นอยู่กับลมที่พัดอยู่ในขณะนั้นๆัพระลักษณะความไม่สงบของจิตที่ท่านใชค้คําลีว่าเจตสุอัุปสสะซึ่งเป็นนได้เกิด อุทจจะกุกจจะนิวรณก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลแนี่จะบังคับใจให้สายไปเล่นไปในนารบต่างๆจนถึงกับสูญเสียความสงบไปเป็นอันมากอาจจะคิดเพ้อขันจนถึงเป็นการสร้างวิมานในอากาศ มีจินตนาการที่เลื่อนลอยไปในเรื่องต่างๆจนไม่รู้สึกตัวดต่นั้นบางครั้งบางคราวจึงดูแล้วคล้ายๆกับเรื่องของสมาธิคือคิดจนเคริบเคริ้ไม่รู้สึกตัวสมาธินั้นซสงบจนไม่รู้สึกตัวแต่าา ก, กุฏิจักกุฏิจักฟุ้งจนลืมตัวบางครั้งอาจจะคิดไปได้ไกล เหตุการณ์ผ่านไปหลายๆปีปัญหาที่เกิดขึ้นแก่จิตในลักษณะนี้ท่านสรุปรวมว่าเกิดขึ้นจากการไม่สงบแห่งจิตแต่จะาถามว่าทำไมจึงไม่สงบก็อตอบว่าเพราะใจไม่มีความสบายไม่มีความพอใ จ, จติดใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังน่านจึงสอนไว้ในตอนต่อไปว่าอุทะจักโกกุจานิวรณที่บังเกิดขึ้นแล้วสามารถให้สงบระ ง, งับไปโดยวิธีใดก็ให้รู้โดยวิธีนั้นวิธีการทำจิตให้สงบนั้นโดยหลักสรุปก็คือแนวของกรรมฐานนั่นเอง กรณีเราสังเกตว่าวิธีของกรรมาฐานนั้นเอาจิตไปเกาะไว้ในที่ใดที่หนึ่งถ้าจิตกลีฟุ้งมากๆอย่างนี้จะไปอยู่กับลมซึ่งมีการที่ค่อนไปทางละเอียดอาจจะดูได้ยากทุกคนก็ จ, จะมองไปที่สีต่างๆหรือมองไปที่แสงต่างๆ คือมองไปที่ดินน้ำลงไปตาก็มองไปใจก็กําหนดไปตาก็บริกรรมไปเพื่อจะดึงจิตของตนเองให้มาอยู่กับอารมณ์ดอกนั้นคล้ายๆการอ่านหนังสือบางขณะที่เราอ่านหนังสือถ้าอ่านภายในใจบันทีตาดูหนังสือไปแต่ใจจะไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ มีบางช่วงที่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยผ่านไปเป็นหน้าน้านั่นแสดงว่าใจไม่ได้อยู่กับตัวหนังสือนั้ น, น, นเมื่อต้องการจะอ่านหนังสือให้ได้ประโยชน์มากเข้าใจง่ายจะมีวิธีการในท่า น, นอ่านแต่แก่ตาดูตัวหนังสือปากอ่านหูฟังแล้วก็ใจกําหนดไป เป็นการใช้ประสาทสัมผัสไปในเรื่องเดียวกันในขณะเดียวกันจะใช้ไปถึงสี่อย่างแต่อย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันให้บุคคลได้มีความรู้ความเข้าใจหนังสือตอนน่อันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อใจเกิดพุ่งสั้นไปเพราะไม่ส ง, งบในอารมณ์อยใ่ใดอย่างหนง ถาดใช้คำว่าเจตสุวูปสมะคือการทําใจให้สงบอยู่กับอารมณ์อย่างไรอย่างไหนดิ้งใช้บริกรรมภาวนาบอกพุทโธพุทโธบริกรรมให้กับชั้นที่ข้าวบางทีไม่ต้องสนใจเรื่องลมหายใจเข้าออกก็ได้เอาบริกรรมให้อยู่กับบริกรรมเสีก่อนหรือการสวดมนต์สาธยายต่างๆ ไว้จิตเกาะให้ได้เะียก่อนการจะให้จิตเกาะนั้นถ้าหากว่าเกาะในเวลารวดเร็วเกินไปทันทีเขาอยไม่ยอมเหมือนกันแล้วเราก็ค่อยๆสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตไยการสวดมนต์ไการสาธยายเป็นการโน้มน้าวจิตใจเขาหาความสงบไปโดยลำดับ พันวิธีการแบบสมถะกรรมฐานจึงมีรูปแบบวิธีต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการค่อยๆดึงจิตเข้าหาความสงบแต่ไม่ใช่ดึงอย่างรวดเร็วพรวดพระเป็นการเพียนพยายามที่ค่อยดึงไปในที่บางแห่งยังมีการสวดมนต์กันนานๆ จิต ม, มีความพร้อมที่จะน้อมเข้าหาความสงบซึกงลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นก็ค่อยน้อมเข้าไปหาความสงบถ้ายัางไม่พร้อมก็สวดกันไปก่อนแต่สำหรับบุคคลที่ได้ศึกษา ป, ษปฏิบัติมามากแล้วปัจจัยเสริมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันยันที่เคยกล่าวมาแล้วว่า การทำใจให้สงบนั้นอยู่ที่ภายในใจมีปัญหามากมายที่บาลีท่านใช้คำว่าปริโพธดมากมายคือเรื่องกังวลที่ตกค้างอยู่ภายในใจการ จ, จัดการงานเรื่องที่จะต้องจัดจะต้องทําเรื่องความถูกความผิดต่างๆเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินการทองอะไรสารพัดถ้ามีเรื่องเหล่านี้อยู่มากใจมกักจะสายไปคิดถึงในเรื่องเหล่านั้น วันเริ่มต้นจะต้องตัดพวกเหล่านี้ออกไปก่อนทำใจให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไปจริงสิ่งทั้งหลายที่ใจเป็นเหนี่ยวนึกกนอกไปจากเรื่องซึ่งใกล้ตัวในขณะนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามที่จริงเราก็ทำอะไรไม่ได้เพาอยู่ไกลจากเราไป สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คืออารมณ์ที่จะต้องกำหนดระลึกเพื่อเกิดเป็นความสงบขึ้นมาระว่างนี้แล้วแต่เป็นวิธีการใครสามารถใช้อารมณ์อันใดที่เรียกว่าเป็นธรรมส ป, ปายะสหรับตนก็ใช้อารมณ์เหล่านั้นเป็นที่เกาะเป็นที่เหนียระลึกของจิต โดยเน้นที่สติสมัญญะให้มีกำลังสูงขึ้นความเพียรพยายามเป็นความแก่กล้ามากยิ่งขึ้นเมื่อกระทำไปแล้วจิตใจก็จะโน้มน้อมเข้าหาความสงบเพิ่มขึ้นและนอนความฟุ้งร่านนั้นเป็นนิวรณขนาดนั้นที่มีกำลังอยู่มากการปิบัติในชั้นนี้ขอเพียงแต่ดลดละบันเทาลงไป ใจก็จะสัมผัสความสุขความสงบได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป